บุ๊กทูเจ็ดสิอดต้องการอยากคุณอยากทําอะไรคุณอยากเล่นฟุตบอลไหม อฟูตบคุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไหมพอตซติตีปริเอลต้องการอยากทติดิฉันไม่อยากมาสายยนติ ดิฉันไม่อยากไปที่นั่นย n เนจูไดอิดมตามอ่ดิฉันต้องการกลับบ้าน ย, ยาฮอจูไดอิดมคูเชดิฉันต้องการอยู่บ้านยาฮอจู da ออสเตนมโคตคูเชดิฉันต้องการอยู่คนเดียว ย a ฮอ c ู ja da b ู d ด sam sama คุณอยากอยู่ที่นี่ไหมฮอเชชลีออสต์ที่ออฟคุณอยากทานอาหารที่นี่ไหมฮอเชชลีออฟเคุณอยากนอนที่นี่ไหมฮอเชชลีออฟเดส คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะ p o t r z e b u s u t r a odputovati คุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ p o t e b e s z o s t a ć do jutra คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ p o t r z e li s u t r o p ł a t i ć r a c h u n คุณอยากไปดิสโก้ไหม คุณอยากไปดูหนังไหมคุณอยากไปร้านกาแฟไหม